การศึกษาทางโลกกับทางธรรมนั้นมีความแตกต่างกันการศึกษาทางโลกต้องสายการได้ยินได้ฟังได้อ่านอาศัยการท่องจาการคิดค้นทดลองจึงจะศึกษาได้สาเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาในทางธรรมที่ต่อสายการทาใจหยุด ใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์อันสูงสุดคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใช้เพียงหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดจนกระทั่งถูกส่วนไปตามลำดับจนสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อ น, นั้น ความรู้แจ้งเห็นแจ้งภายในก็จะบังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอราหันต์ทั้งหลายท่านก่อสายการหยุดนิ่งนี่แหละจึงสามารถกำจัดกิเลสอสศาวะให้หมดสิ้นไปได้มีวาระพระบาลี ที่ปรากฏในคุตตกนิกายพุทธวงศ์ว่าที่พึ่งอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้หรือในโลกหน้ายางอื่นที่เสมอ้วยศีลจะมีแต่ที่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณธรรมทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้น ศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนแผ่นดินที่ทำหน้าที่รองรับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามหากรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นทางมาแห่งคุณธรรมความดีทั้งมวลผู้มีศีล คือผู้ที่พร้อมที่จะรองรับคุณธรรมทั้งภายนอกและภายในสีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจะเป็นเครื่องนำออกจากทุก์นำความสุขที่เป็นโล ก, กุตระมาให้และย่าเป็นทางมาแห่งมหาสมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเขาจะได้โลกีย์ทรัพย์ วันละโลกแล้วก็มีสุคติเป็นที่ไปทางธรรมก็จะได้อริยทรัพย์คือได้เข้าถึงพระธรรมกายได้บรรลุมักผลนิพพานอย่างง่ายดายสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่รู้ว่าอีกไม่กี่วันตัวเองก็จะต้องตาย แต่ด้วยความที่ท่านได้ยอดกัลยาณมิตรมาแนะนำว่าศีลนั่นนั้นเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงมุ่งมั่นรักษาศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมกับเฮากระให้ทานควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวการเตรียมตัว ไปสู่ปรโลกของอุบาสกท่านนี้เนะี่ยจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปริณิพานไปแล้วพระมหากัจรยนะได้ไปบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งได้ปัจจันตะชนบท ซึ่งอยู่ชายแดนแห่งพนากรราชครึสมัยนั้นพระเจ้าอัส ก, กะครองราชอยู่ในแคว้นอัส ก, กะอัครมเหสีของพระองค์ได้ประสสติพระราช ก, กุมารพระนามาสุชาตะพระกุมารเป็นที่รักยิ่งของพระราชาภายหลังเมื่อพระมเหสีสวรรคตแล้ว พระเจ้าอัสสกะจึงทรงแต่งตั้งพระอัครมเหสีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนต่อมาเมื่อพระอัครมเหสีองค์ใหม่ประสูติพระโอรสพระเจ้าอัสสกะก็ทรงโปรโดปรานพระโอรสองค์ใหม่มากถึงกับพระราชทานพรว่าดูการมเหสี เราจะให้พอรอย่างหนึ่งแก่เธอเธอจึงถอเถอะทุกสิ่งที่ตนปรารถนาเถิดพระอัครมเหสีทรงรับพรนั้นไว้รอจนกระทั่งพระกุ ม, มานเติบใหญ่จึงทวงถามนึำพรที่พระราชท า, านโดยขอประทานราชาสมบัติให้แก่พระกุ ม, มานของพอ่นานางต่อไปพระเจ้าอสกะอึดอัดพระทัยมาก จะได้ศักดิ์ศรีของกษัตริย์เมื่อตรัสแล้วก็ไม่คืนคาตอนนี้พระองค์ต้องจำยอมระทานอาราชจะสมบัติให้พระเจ้าสกกะทรงรับสั่งให้สุชาตะกุมารกับเฝ้ามื่อพระกุมารเสด็จมาเข้าเฝ้าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยความเราพระทยัยสุชาตะกุมารเป็นคนมีปัญญา จึงกราบทูลด้วยอาการที่แจ่มใสเพื่อให้พระบิดาเบาพระไทยว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความปรารถนาในราชสมบัติแต่อย่างใดขอเสด็จพ่อทรงสำราญพระไทยเถิดอีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับผู้ที่จะมาสืบทอดราชสมบัติท่านยังทูลขออนุญาต พระบิดาไปอยู่ที่เมืองอื่นพระเจ้าสะกะัไม่ยอมจึงรับสั่งว่าจะสร้างเมืองใหม่ให้เมื่อพระกุมารตรัสห้ามพระราชาจึงเสนอให้ไปอยู่กับระัสะหายพระกุมารก็ไม่ทรงประสงค์อีกแต่กราบทูลว่ามอมฉํารัตนาจะไปอยู่ในป่าตามลําพังพระเจ้าค่ะ พระเจ้าส ก, กะทรงรู้สึกสับสนในการตัดสินพระไทยของพระกุมารเป็นอย่างมากครั้งจะห้ามพราหมณ์เป็นครั้งที่สามก็จะเป็นการบีบบังคับพระอรสมากเกินไปจึงตรัสเป็นไนว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพ่อสวรลคตแล้วลูกจึงใช้ความสามารถ กลับมาครองราชสมบัติในพระนครนี้ด้วยตัวเองเธอพระกุมารรู้ว่าลวบิดาทรงรักพระองค์มากจึงตรัสเป็นเชิงให้โอกาสมาเอาบัลลังก์จากพระอุณชาต่างมารดาแต่พระกุมารก็ไม่ได้ยินดีในราชสมบัตินั้นเลยแต่ถาวายบังคมลา แล้วมุ่งหน้าเข้าป่าไปสงสายอยู่กับพวกพลานป่าอย่างมีความสุขวันหนึ่งขณะที่พระกุมารกําลังล่าเนื้ออยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนมิกษุในอดีตชาติได้แปลงเป็นเนื้อเพื่อเป็นเหยื่อล่อพระกุมารโดยเนื้อนี่ได้วิ่งกลับไปที่พักของพระมหากัจัยยนนะ แล้วก็หายไปสมพระกุมารแค่จะจับเนื้อตัวนี้ให้ได้จึงวิ่งไล่ตามไปพอไปถึงก็ไม่เห็นเนื้อเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่ในบรรดาสาราพระเถระมองดูพระกุมารก็รู้ความเป็นไปทั้งหมดไดยญาณทัศนาของท่านและเพื่อจะอนุเคราะห์พระกุมาร จึงถามว่าท่านผูกสอดธนูไว้เมัน่นยืนเล็งธนูไม้แก่นอยู่ท่านเป็นใครเป็นราชกรมารหรือเป็นพลานป่าพรกมารตอบพระเถระว่าเคุณเจ้าข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอาสกะนามว่าสุชาตขาพระเจ้านี้กำลังตามหาเนื้อ ซึ่งขมาในบริเวณนี้อยู่พระเถระทําการปฏิสันถามพระกุมารว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากที่ได้มายังสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นท่านยังไปล้างเท้าให้สะอาดก่อนแล้วดื่มน้ำเย็นเทตมาได้ตักมาจากซอกเขามาดื่มแล้วก็เชิญท่านมา น, นั่งบนผ้ารองนั่งนี้เถิด แล้วกุมานเห็นจริยาวัดอันงดงามและความมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเบิกบานของพระเถระประดมทั้งได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีจึงรู้สึกอบอุ่นได้นสนทนากับพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นปรารวาจาของพระคุณเจ้าน่าฟังยิ่งนัก เป็นวาจาไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทำให้ความไพเราะส น, นโศนฤาคุณเจ้ารู้จักกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์เขาพเจาขอถามฤาคุณเจ้าว่า <c oughs> เหตุไรฤะคุณเจ้าจึงยินดีอยู่ในป่าขอฤาคุณเจ้าโปรโดบอกด้วยเถิดเขาจะได้ฟังได้คํคำอันเป็นมงคลของท่านแล้วจะได้นำไปปฏิบัต ตามท่านบ้านพระเถระได้ให้ธรรมะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันว่าดูก่อนกุมารอาตมาชอบใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักขโมยการงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมการงดเว้นจากการพูดเท็จ การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาการงดเว้นจากบาปธรรมการยินดีทำการประพฤติสงบความเป็นประหุสูตความเป็นคนกตัญญูคุณธรรมเหล่านี้คุณบุตรต่างกัสัรเสริญในปัจจุบันทั้งวิญญูชนก็สรรเสริญเมื่อพระเถระ กล่าวถึงสัมมาปฏิบัติของท่านแล้วก็ได้ตรวจดูอายุขยของพระกุมารด้วยอนาคตังสยานก็เห็นว่าพระกุมารมีอายุเหลืออีกเพียงหเดือนเท่านั้นเพื่อจะให้พระกุมารเกิดความสลดพระทยัยและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติอย่างมั่นคงจึงกล่าวเตือนว่าดูก่อนกุมาร ท่านจงรู้ตัวเถิดว่าอีกห้าเดือนจากนี้ไปท่านจะหมดอายุไขดังนั้นท่านจงเปลื้องตนออกจากทุกข์ในอบายเถิดพอพระกุมารฟังแล้วถึงกับสะ ด, ดุง้งจึงตรัสถามว่าข้าพเจ้าจะไปณที่ไหนและจะทำอย่างไรถึงจะไม่แก่และไม่ตายขอรับ ส่วนวพระเพาเถระจะแนะนำพระกุ ม, มารว่าอย่างไรนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะเห็นว่าการทําหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีคือการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนําสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ไปแนะนำให้กับชาวโลกเขาจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีตามเราไปด้วยดังนั้นให้ลูกๆทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทำความดีกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับชาวโลกกันนะจ๊ะ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 สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไป น, น, นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเม่สุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลัน จองทุกท่านเทิน